ขอความสุขความเจริญจะมีะดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องมานะกามสุตคือประสุตที่ว่าด้วยคนซึ่งใคร่พอใจยิน ด, ดีในมานะมานะในที่นี้หมายถึงความกระด้างความถือตัวความรุมินบุคคลอื่น อาจจะยกตนขอมท่านหรือตีเสมอท่านหรือว่าอาจจะออกมาในรูปของการลูหมินตัวเองแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองให้ตกต่ำลงไปมากยิ่งขึ้นก็เป็นข้อความในเริ่มต้นเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้วคือเทวดามากราบทูลพระพุทธเจ้าก็เป็นแนวเป็นการแสดงความคิดเห็น ส่วนตัวของท่านดขอรับทราบ พ, พุทธดำ ร, ริว่าทรงกับที่ท่านเข้าใจหรือไม่ท่านกล่าวทูลว่ามานะธรรมะย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ปรารถนามานะคาว่าธรรมะนั้นมีอยู่สองความหมายความหมายหนึ่งก็คือการเพียรพยายามฝึกปลืออบรม พัฒนาตัวเองจากจุดด้อยในระดับต่างๆและพัฒนาให้เพิ่มพูลก็กลายเป็นจุดดีเป็นจุดเด่นเป็นจุดเลิศหรือเป็นจุดสูงสุดขึ้นมามนุษย์เรานั้นเริ่มต้นมาจากอาวิชชาคือเราเกิดมาจากความไม่รู้อะไรแน่นอนส่วนหนึ่งเราก็มี บารมีธรรมคาจุนอยู่ในอดีตแต่จะมีมากมีน้อยอย่างไรก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เพียงแต่ว่าพิสูจน์ด้วยการเกิดด้วยความโน้มเอียงทางจิตด้วยความใส่ใจด้วยความสนใจตลอดถึงพฤติกรรมที่คนแสดงออกมาโดยการคิดโดยการทําโดยการพูดมกักเป็นมาตรวัดประการหนึ่งว่า คนนี้มีบารมีมากหรือว่ามีอาสวะมากแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าคนในโลกนี้ก็มีคนดีกับคนไม่ดีหรือว่ามีผ่านกับบัณฑิตในความเป็นคนผานก็มีหยาบกลางละเอียดบัณฑิตก็มีหยาบกลางละเอียดจึงแสดงถึงความแตกต่างในด้านพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังนั้นอย่างหนึง่ง แล้วก็สาภาพของจิตที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นอีกประการหนึ่งก็ทำให้คนเหล่านั้นก็แสดงกิริยาอาการออกมาในด้านต่างๆทีนี้คนเราถ้าลองถือตัวก็เรียกว่ามีมา n เ น, นี่ยเข้าใจเอาตอนเองดีแล้วเก่งแล้วมีความสามารถแล้วเหนือกว่าคนอื่นแล้ว มันก็ต้องไม่ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรแนวเหล่านี้ท่านผู้ฟังลองคิดถึงแนวของสัสตทิฏฐิกับแนวอุเฉตทิฏฐิแนวสัสตทิฏฐินั้นถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้อย่างยืนไม่แปรผันคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่ชั่วนิรันดร์แม้จะตายแล้วไปเกิดในวกชาติต่าง เคเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้คนเราแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในการขวนขวายดิ้นรนเพื่อจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากก็่าที่ว่าเป็นโมฆะในะสมบคนเหล่านั้นเขาก็จะไม่ทําอีกบวหนึ่งที่ถือว่าขาดสูญไปเลยคือผลทั้งหลายนั้นขาดสูญไปเลย ต่างผลจากความดีความชั่วตัวความดีความชั่วมันขาดศูนย์ไปเลยชีวิตก็จบสิ้นลงที่เชิงตะกอนหรือจบลงที่ตอนเราตายมันก็ไม่รู้ขวนขวายไปทําอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันหายไปหมดมันสูญเสียไปหมดคือคนที่ดิ้นรนขวนขวายฝึกกปรืออบรมตัวเองพัฒนาตัวเอง จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าผลทั้งหลายที่เราต้องการนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัติเหตุที่ถูกต้องแล้วมีความต่อเนื่องเนี่ผลนี้ต้องเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งบาราศณะของบุคคลที่ใคร่มานะคือพอใจยินดีมีความเข้าใจว่าตัวเองเลว ก, กว่าเขาหรือตัวเองเสมอเขา หรือตัวเองเรวกว่าเขาท่าฟัอ ง, องอาจจะสงสัยเอ้ไปคิดว่าเร็วกว่าเขาแล้วทําไมทําไมจะไม่เกิดธรรมะเพราะมันเป็นภาวะยอมจำนนเลนเผื่เราคนจนเราเป็นชาวนาเป็นกรรมกรเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นอย่เขาเป็นได้แหละคล้ายๆกับตัวอย่างพวกวันนัทสูตรที่มีอยู่ในประเทศอินเดีย ก่อนสมัยพุทธกาลเท่าไร่เราเขามีรู้แหละแต่ว่าหลังพุทธกาลเนี่ยก็ร่วม 2,600 ปีแล้วคนวัน น, นั้ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าไม่น้อยกว่า95ซ น, น, นะนะก็ดูมิ่นตัวเองว่าตำต้อยด้อยอำนาจวาสนาบารมีกว่าคนอื่นยอมจำนวนต่อคนเ่านั้นหรือถ้าเราดูเราในสมัยที่ยังไม่มีการเลือกทาน ก็เห็นว่าคนที่เป็นธาตเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาวะจำนวนมีไม่น้อยที่ยอมขายตัวเองเข้ามาเป็นธาตคือสมัครใจที่จะเข้ามาเป็นธาตแล้วก็ผู้ที่เป็นแล้วก็พอจะยินดีในความเป็นธาตแล้ว่ากลัวต่อการที่ตัวเองจะไม่ได้เป็นทาตได้ยทับไปนั้นแสดงว่าเป็นลักษณะของมานะคือเรียกโอมานะคือดูหมินตัวเอง ไปคิดว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจไม่สามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้เป็นภาวะยอมจำน น, เ, นเราพูดแล้วคล้ายๆกับไม่คนไม่ค่อยมีคนเหล่านี้แต่จริงคนเหล่านี้เยอะมากไม่ยอมขวนขวายดินรลนเพื่อจะช่วยตัวเองเพราะแต่มาเป็นการฝึกปลือตัวเองาาเออทางในการป้องกันสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตราย การวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองที่มันมีปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นตัวขัดขวางไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงออกมาในรูปสร้างสารรค์ทัฒนาได้แล้วก็พยายามเพิ่มพูนสิ่งดีงามต่างๆขึ้นรักษาสิ่งดีงามมาไว้เนี่ยโดยจะส่งแสดงไว้โดยสรุป ว่าการฝึกจิตนั้นเป็นความดีจิตที่ฝึกมาแล้วจะนำความสุขมาให้เพราะน้ว่า ม, มนุษย์เราท้าฝึกจิตได้อย่างอื่นก็ชื่อฝึกได้หมดแล้วดังนั้นคนที่กระด้างโดยมานะทั้งสามประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยและพวกนี้ที่จริงยางย่อยออกไปนะยังย่อยออกไปเป็นเก้าประเภท้วยกัน พวกนี้จะไม่พอใจยินดีในการฝึกปลือตัวเองข้อนี้พระตัตถาจารย์ท่านเล่าว่าเทวดากล่าวว่าธรรมะอันเป็นไปในฝ่ายของสมาธิย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นป่านนี้ก็ฝ่ายไหนก็ตาม น, นะฮะคือบางทีเราเอาธรรมะไปแขวนไว้สูงเกินไป ถ้าเรามองธรรมะว่าเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งมันอยู่ใต้ดินนะเราจะพูดเฉพาะส่วนที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีใต้ดินต้นไม้ก็ตายแล้วผันธรรมะปฏิบัติทุกระดับเดิมคนปฏิบัติได้อยู่แล้วระดับหนึ่งเช่นสติสัมปชัญญะความเพียรสัทธาคันติ ความตั้งใจมั่นคงอะไรต่ตางๆเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วระดับหนึ่งเพราอถ้าเราจะยกเอาไประดับโน้นไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือตัดตอนกันเกินไปนะอันนี้คือคือจุดบกพร่องอย่างหนึ่งเป็นวิธีการอธิบายพระตถาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยคือว่ากันตามความจรงิงท่านก็ไม่รู้หรอกปฏิวดาประสงค์ว่าอะไร ว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อเกือบพันปีที่แล้วนะท่านนําอธิบายเนี่ยและแต่อธิบายเลยไปจนถึงความคิดเพรว่าที่จริงการพูดถึงความคิดแม้แต่ในขณะที่เราสนทนากันเนี่ยเราก็ไปรู้ความคิดเขาไม่ได้ถ้าเราไม่มีเจโตุปริยาเนี่เพรา ะ, ะนั้นคำว่าธรรมะคือการฝึกหรืฝึกทุกเรื่องแหะฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจ รวมถึงสมาชิด้วยนั่นแหละแม้แต่ศีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาก็จริงเราก็ต้องฝึกเยอะไม่เว่าศีลข้อใดข้อหนึ่งคือแม้แต่ศีลข้อเดียวอ่ะเช่นศะีลข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้ศีนมันเป็นไปดีๆนี่ต้องฝึก เ, อเยอะนะแล้วก็ต้องทําได้อย่างต่อเนื่องไปพลั้งพลาดไปเผ้อเรอ่ไปลงลืมไปเลอะเลือนขึ้นมา มันก็ผิดศีลได้แต่นี้ธรรมะอีกประการหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในใจเราตามปกติเราไม่เคยเจอธรรมะที่มาอยู่ด้วยกันกับขันติเพราะาลักษณะเนื้อ ง, งานเนี่ยมันเป็นเช่นเดียวกันแต่พีอาจารที่บอกท่านว่าธรรมะ ซึ่งมีลักษณะครังเนื้อหาเช่นเดียวกันถ้าเกิดอยู่ในหมวดเดียวกันแสดงว่าถูกจำแนกเป็นช่วงออกไปในช่วงของการฝึกก็เป็นอีกช่วงหนึ่งแล้วฝึกแล้วมันเกิดผลที่อยู่ภายในจิตสามารถที่จะหยุดตัวเองได้คือเบรกตัวเองได้ ห้ามใจจากความชั่วได้ปิดกัน้นจิตใจจากความชั่วด้ไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วด้ก็หมายความว่าถ้าเขาเกิดไปอยู่คู่กับขันติกันติก็ทนต่อสิ่งที่มาจากข้างนอกธรรมะก็ห้ามจิตจากอารมณ์ข้างในแต่ถ้าเขามาอยู่ข้อเดียวก็ไม่ควา ม, มาทำงานทั้งสองอย่าง ตำนองคล้ายๆกับทานกับจากฆะหรือทานกับบริจาคเนี่ยคือถ้าก็อยู่ด้วยกันกรอกของทานมันจะอยู่ในรูปของการสงเคราะห์การอนุเคราะห์หรือการบูชาความดีการบริจาคก็มาอยู่ที่กรอบของการเสียสละประโยชน์สุขขอตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ทีนี้ถ้าหากว่าเขามาอยู่ด้วยกันไม่ใช่คือต่างคนดักมาอยู่ธรรมทานมันก็จะไปไม่ใช่คือทานเนี่ยจะไปถึงอภัยทานแต่นี่อภัยทานมันไปอยู่ที่อโกธะไปแล้วในทศพิตราจะถามทางฝั่งเราสังเกตอภัยทานมันไปอยู่ที่อโกธาแล้วทีนี้พวกธรรมทานเนี่ย มันก็อยู่ได้ในตัวของฐานอาจจะอยู่ในส่วนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิง่งคืออวิโรธานามันกรอบมันก็มันก็แคบลงก็ตนองมองคล้ายๆกับกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่เขียนอย่างรัฐนูญฉบับก่อนสามร้อยกามาตานะเกือบสี่รอยเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวมโหฬาราที่สุดเลย แต่กรอบขอบข่ายของมาตจาแต่ละมาจาจาเนี่ยมันไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งทีนี้ถ้าหากว่าประกรอบขอบข่ายไม่ต้องมากอย่างของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงศีลสมาธิปัญญาหรือพูดถึงความไม่ประมาทหรือพูดถึงไอ้มัคคุปปะแปลการหรือพูดถึงการไม่ทําบาปทั้งปวงการนับกุศลในสมบูรณ์การนับเยตย่ยนใผ่องแผ้วนิ้วกรอบมาหือมาอะไรใหญ่โตมาก เพราะถู ก, กรรมกับไว้ด้วยภาษาที่ปรารถนาความสมบูรณ์ในเรื่องเหล่านั้นเช่นว่าศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างเงี้ยคือถ้ายัางไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่ประกันผลเพราะว่าเขาประกันผลที่สมบูรณ์เพราะในที่นี้ก็จะอยู่อีกจุดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งึง เวลาท่านอธิบายไปก็จะไปอยู่ในกลุ่มของคารวัสธรรมซึ่งก็หมายความว่ามีทั้งคันติแล้วก็มีทั้งจ า, า, จากธรบาลีท่านชาคำว่าสัจเจนะดันโตดมสสาอุเปโตเวดันตะกูอุสิตะบรมจริโยแปลว่าบุคคลผู้ฝึกฝนด้วยสัต จ, จะ ผู้เข้าถึงแล้วด้วยธรรมะผู้ถึงที่สุดแห่งเวทอยู่จบพรหมจรรย์นั่นก็เรียกว่าพูดกันเต็มที่เป็นข้อความที่เน้นต้นหลักการปฏิบัติถ้าความว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้มันก็อยู่จบพรหมจรรย์ไปแล้วคือบริสุทธิ์บริบูรณ์ไปแล้ว แต่ว่าที่เทวดาท่านกล่าวในท่านบอกว่าความรู้ย่อมไม่มีแก่บุคคลที่มีจิตไม่ตั้งนั่นไอ้ น, นี่คือเป็นผลพวงเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีมันก็ไม่มีมกับเป็นแถวเพราะอะไรเพราะท่านอาศัยมานะคือความกระด้างถือตัวแล้วก็ไม่ยอมรับการศึกษาอบรมเล่าเรียน แม้แต่จะไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ยอมไหวนะ้เพราะมานะความกระด้างตัวเองมันก็เป็นการปิดกัน้นกระแสของความรู้ที่เราจะได้จากแหล่งนั้นๆมีเป็นนันมากในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือคือในสมัยปฏิบัติันเรายังอ่านหนังสือได้นะหมายความหนังสือเราอาจจะไม่รู้จักคนหรอกแต่เราก็อ่านหนังสื อ, อ, อแต่ว่า ไม่ได้หมายความว่าหนังสือนั้นจะถูกต้องสมบูรณ์เส ม, มอไปคืออาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่สิลปะเราก็อ่านเอาได้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยมันมีคนเบรนมาที่มีความรู้ดีแต่ว่าฐานะอาจจะเป็นคนจันท า, น า, จจนนนนาร์อาจจะเป็นคนวันณะสูดอาจจะเป็นคนวันณะแพทย์พว ก, กศาัตร์พวกพราหมณ์ก็ไม่ยอมศึกษาและเรียนกับบุคคลเหล่านั้น อย่างที่อษ า, ษาจารย์ตาจารย์ได้เล่าเรื่องเจ้าหญิงวาสุนัตทตาธิดาของพระเจ้าจันทประโชดแห่งกรุงอุเชนีพระเจ้าจันทประโชด น, นั้นต้องการจะเรียนมนดีดพินเรียกช้างของพระเจ้าธเทนพระเจ้าธเทนท่านไม่ขัดข้องหรอกแต่ว่ามีข้อแม่ว่าพระเจ้าจันทประโชต้องถายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ต้องกราบ แสดงความครบแต่เจ้าจันดัประโชคก็ไม่ยอมเพราะว่า ถ, ถือว่าตัวเองเป็นผู้ชนะคือไปหลอกจับพระเจ้าอเท็นมาพระเจ้าเท็นนั้นก็เด็ดขาดว่าไงนั้นก็ไม่สอนอะในที่สุดพระเจ้าจันดัประโชคก็ไปหลอกลูกสาวว่ามีคนขี่เรื้อนขี้เรือนกดถังสกปรก มันมีความรู้ดีพราอยากจะให้ลูกเนี่ยไปไหว้เขาเรียนมนจากนอกบ้านคือกราบที่นอกบ้านไม่ได้กราบเห็นหน้าดอกไม่ตรงดูมันน่าเกลียดมันสกปรกมากนางก็เชื่อแล้วก็ไปกราบพอในที่สุดสอนกันไปสอนกันมาจาหญิงก็รู้สึกว่าความจําไม่ค่อยดี พระเจ้าเทนท่านก็ไปนึกว่าเป็นหญิงคอมนะครับเพราะพระเจ้าท่านประชดมันหลอกว่าเป็นหญิงคอมแต่ว่านางวาสุรัตตาก็ถูกหลอกว่าเรียนกับครูที่เป็นขี้เรือนกุฏังก็งสรุปว่าถูกหลอกทั้งคู่แต่พระเจ้าเทนท่านก็รู้ว่าท่านเป็นกษัตริย์เจ้าหญิงวาสุรัตตาตก็รู้ว่าท่านเป็นราชาธิดา ทำไปธรรมะไปเจ้าเทียกริว้วสอนไม่รู้เรื่องก็ดุเลยเรียกหญิงค่อมปากมันหนาปูดจาไม่รู้เรื่องสาธยายไม่เข้าใจจะยหญิงวาสุนตากริวนะ้วเปิดม่านขึ้นม า, า, าเลยด่เาเลยอ้าวไปธมาไม่ใช่รู้ว่าทุกหลอกแล้วก็ในสุดก็ชอบพอกันได้เสียกันแล้วก็คิด่ากันนี นี่ก็คือเราจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดทำให้ความรู้เป็นอันมากเช่นยกตัวอย่างเนี่ยคือความรู้ที่เกี่ยวกับไอ้กระดูกหักกระดูกแตกอะไรึงเป็นแพทย์ไทยโบราณเนี่ยคือมายังมีความรู้สึกว่าเขาสามารถกว่าแพทย์ปัจจุบันบางคนเหล่านี้เขาไม่ต้องผ่าตัดอะไรเลย เขาสามารถเสกให้ประสานกระดูกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แขนหักขาหักบางทีกระดูกแตกเละเลยใช้งานไม่ได้ก็ททำเพียงไม่กี่วันเจ็ดวันก็เห็นผลแล้วแต่หมอรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ยอมเรียนกับแพทย์ไทยโบราณ เ, เขาไม่ยอมเรียนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมานะมันก็ไม่ได้เกิด ธรมะคือความคิดที่จะฝึกปรือแล้วเรียนในเรื่องเหล่านี้มาเวลานี้ความคิดความอ่านก็เปลี่ยนไปเยอ ะ, อยยอะแตเราไปเรียนแพทย์แบบจีนมานะแบบแผนแพทย์ไทยโบราณมาที่จริงน่าจะเรียนอย่างอินเดียด้วยอินเดียแพทย์แผนโบราณเขามีเยอะแล้วเาก็ดีเด่นอย่างเช่นเช่นหมอชีวโกมารพัฒเป็นต้นเนี่ย มัานาะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเกิดมาหน้เพียงตัวเดียว เ, เด็กเลือดพวกไงเป็นเด็กเลือพูดกันไม่รู้เรื่องนะสอนกันไม่ได้ทีนี้เมื่อเธอไม่มีความรู้จิตใจของเธอก็ไม่ตั้งมัน่นแต่าการที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุไม่ให้ไม่ได้ความรู้ถามว่าทำไมไม่ตั้งมัน่นในกรณีนี้ก็เป็นคนที่มีมานะคือใจมันกระด้าง ดือ้อวันก่อนมีลูกศิษย์เขาไปสร้างวัดอยู่ที่ New นิวซีแลนด์ก้อนไหนพรรษาปีนี้เขามาจํางพรรษาที่วัดและก่อนจะกลับเาก็ลามาลาแล้วก็นำหลานมาด้วยแล้วก็ดูอายุเขาก็เยอะแล้วก็สอบถามว่าเรียนจบอะไรมา ก็ปรากฏเรียนจบแค่ม .3 สามถามมาทำไมไม่เรียนต่อแกบอกว่ามันเป็นครอบครัวที่แปลกคือทุกคนไม่ยอมเรียนแล้วก็มีความเชื่อไมันจำเป็นต้องเรียนก็ดูมินตัวเองนิสสุก็ใช้อาชีพในการทำสวนในการเป็นกรรมกรในการเป็นกุลีในที่ทต่างๆอันนี้ เอกตัวความรู้เนี่ยมันมันมันขาดไปในขนาเดียวกันที่พื้นดินซึ่งเป็นของปู่ย่าตายายเนี่ยมันก็ถูกแบ่งกันหลายคนมันก็น้อยลงน้อยลงทําใม้แต่ละครอบครัวก็มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจอันนี้เป็นโอมาณนะคือดูมินตัวเองดูมินตัวเองเราเรียนไม่ได้แล้วเราเป็นชาวป่าชาวเขาชาวดอย เรียนไม่ได้เลยไม่เรียนกานตั้งที่มีตัวอย่างบุคคลที่เขาเรียนนะขรตาป่าชาดอยลุกตศีตศายยามาจะมีนี่เยอะนะฮะยังในวงการพระแล้วยิ่งยิ่งเป็นข้อที่น่าสังเกตวัดใหญ่โตอย่างวัดบรวรก็ดีวัดสุทัศน์วัดมหาธาตุวัดโพวัดอะไรตังางยนี่นะ วัดระดับเอกอุมันเป็นมหามหาศีมาคือวัดขนาดใหญ่มีอยู่หกวัดลองนับดูสมภารทุกวันเด็กลูกชาวนาทั้งนั้นแหละเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดมาธาตุวัดประเชตุพนวัดพระปะฐมเจดีย์วัดที่สระบุรีบบร รู้สึกจะว่าสุทัศน์ด้วยอะไรเนี่ยนะฮะกระงหมดหกวัดและสรุปว่าเป็นวัดเอกอุก็ เ, เรียกว่าราชวระมหาวิหารคือสูงสุดในเกรดของวัดมีสมบูรณ์พร้อมแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นลูกสามัญชนแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาสามารถสืบสารผลงานของวัดกษัตริย์สร้าง ลูกชาวนารักษาลูกชาวนาพัฒนาได้มันก็แสดงว่าถ้าเรายมรับความจริงว่าเราไม่รู้เราก็ต้องขวนขวายเราเป็นใครมาก่อนไม่สำคัญเราเปลี่ยนแปลงได้ในขณะขณะปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงได้แต่ทีนี้ถ้าไปตั้งหลักไว้อย่างนั้นก็จบกัน แล้วท่านก็กล่าวต่อว่าบุคคลผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าประมาทแล้วไม่พึงข้ามพ้นฝั่งแห่งเตภูมิกวัฏอันเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุได้ไอ น, นี่ดูแล้วคล้ายๆกับว่าาเ็นพระกรรมฐานบางองค์ที่ไปอยู่ในป่าแต่ว่าจิตใจท่านไม่นักแน่นมั่นคงเลื่อนลอย หนงอยู่ในป่าป่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกคือเราจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าทุกข์ก็อยู่ที่จิตสมุทัยก็อยู่ที่จิตนิโรธก็อยู่ที่จิตมรรคก็อยู่ที่จิตสถ า, านที่มันเป็นปัจจัยประกอบเป็นปัจจัยเสริมที่จะช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยท่านนั้นเองแต่เราต้องนึกถึงว่าความเป็นจริงในโลกปัจจุบันกับโลกเมื่ออดีตเนี่ยมันต่างกันแล้ว สถานที่เหล่านั้นเขาต้องการความสงัดเงียบจากเสียงรบ ก, กวนถึงถือว่าเป็นปนัญหาประสาทของสมาธิขนาดใหญ่แต่ในปัจจุบันตึกทั้งหลายเนี่ยตั้งแตติดแอร์คอร์ดิชันก็จบแหละมันก็เงียบสงบกว่าในป่าจะอีกในป่ายังมีเสียงสัตว์ร้องยังมีจักจั่นยิงรีดเรไรร้องต่างๆหัวค่ํานี่ก็ทําไม่ได้ดึกดึกสัตว์ก็ร้องนะใกล้รุ่งสัตว์ก็ร้องกัน เพราถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เนี่ยและอย่าไปยึดติดในรูปแบบอะไรมากเกินไปก็สามารถทาใจใสงบได้ทีนี้ถ้าใจถ้าตาคนประมาทเรื่องประมาทเนี่ยมันเป็นบทสรุปพวกนี้จาพูดถึงที่ท่านพูดมาแต่ต้นเน ท, ที่จริงประมาททั้งในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรค และที่สำคัญอย่างยิ่งกว่าเมื่อท่านกระด้างอย่างนั้นน่ะท่านก็ต้องไม่พร้อมที่จะงดเว้นจากทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วไม่พร้อมที่จะเพลิดพินปฏิบัติตนไปในทางที่สุจริตกึ่ตรงกันข้ามทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกันและที่สำคัญอย่างยิ่งก็ว่า ไอ้มาณฑที่ท่านถือเนี่ยท่านถือว่าท่านถูกต้องไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ท่านจะปรับความเห็นขหาคนอื่นมันก็ปรับไม่ได้เพราะท่านถือว่าท่านถูกแล้วในสุดมันก็ให้เกิดอาการชันงักอยู่ก็ชี่คือขยับเขยือนไปไหนไม่ได้แต่ความประมาทเนี่ยทงแสดงไว้เป็นก็เป็นเรื่องใหญ่ะนะ คือหมายความว่าสรุปรวมที่ความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทจริงๆถือสมบูรณ์จริงๆเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์เพราะความไม่ประมาทก็คือความสมบูรณ์พร้อมของสติเขาเรียกว่าสติวิปุโรหคือสติเ้าภัยบูรณ์มา ก, การเคลื่อนไหวทุกอย่างมันเป็นมีสติกำกับทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะ สงบจิตได้เมื่อสงบจิตไม่ได้มันก็ข้ามฝั่งของไรภูมิไม่ได้เตภู ม, มิกวัตคือวัตตะที่นำคนเข้าไปหมุนวนอยู่ในโลกสามระดับนะหรือพบสามระดับเก่าวาพบรูป พ, พ, พบอรูป พ, พบก่อที่จริงก็ไม่เบาเหมือนกันนะขึ้นถึงอรูปพ บ, พบ ก็แสดงว่ายัางต้องหมุนวนยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่นะก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่ข้อเดียวนะเราสังเกตเราอยู่ที่ข้อเดียวคือมานะพอมานะมันเป็นกำแพงขวางแล้วเนี่ยมันสกัดกัด้นอย่างอื่นไปหมดเลยขยับไปไม่ได้ก้าวไปไม่ได้ไปไม่ถึงไหนดังนั้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็จัดนะพระพุทธเจ้าจัดเราจะเห็นว่า มันต้องตรงกันข้ามอะบุคคลละมานะแล้วมีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีจิต ด, ดีพ้นในธรรมทั้งปวงแล้วเป็นผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าไม่ประมาทแล้วบุคคลผู้นั้นพึงข้ามฝั่งแห่งเตภูมิกวัตเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุได้หรือตึงตรงกันข้ามาหมายความว่าที่เทวดาพูดเนี่ย มันเริ่มต้นที่ความกระด้างโดยอำนาจของมานะแต่ทีนี้มานะนี่มันเป็นกิเลสที่ละเอียดนะมันมีมานานุใสมันมีมานะสังโยชน์เป็นกิเลสประเภทที่คนระดับพระอาหารหันตานั้นเองจะละได้วันพระเจ้าจึงเริ่มมาจากบุคคลละ ม, มานะแล้วละ ม, มานะแล้วก็มาความเป็นพระอาหารหันต์ ต่อไปเนี่ยเป็นการแสดงสถานภาพทางจิตของพระอาหารหันต์ซึ่งก็หมายความว่าเราเดินเต็มร้อยเปร็นนี่ยไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็เดินตามสักสี่หิบเปซนหนึ่งนั่นคืออะไรคือมีจิตตั้งมั่นดีแล้วพระหันจิตตั้งมั่นแบบภูเขาศิลาแท่งทึบคือไม่มีอะไรจะทำให้วันไหวได้ แต่ว่าจิตของเราทำอย่างไรให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะอย่างในในพระสูตรเนี้ยนะฮะพระตถาารกทะตฌานท่านอธิบายถึงธรรมะที่เป็นคารวัสธรรมสีข้อก็ญญเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าถ้าว่าธรรมะสี่ประการ คือสั จ, จธรรมาจาะ ข, ะขันติเป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าสี่ข้อเนี้มันก็หาได้ยากเพราะงั้นถ้ามี<แ>ท่านก็เรียกว่าปัญญาวัรระถือหมายความว่าเป็นการฝึกปลือเป็นการปฏิบัติพัฒนาตัวเองเป็นทั้งเหตุทั้งผลในตัวของมันเอง แล้วก็บุญมีอยู่การมาถึงแห่งบุญย่อมมีด้วยทานด้วยธรรมะด้วยสัญญาะด้วยสัจจวาจาแล้วก็ไปเรื่อยๆนะจนถึงอุญสุกรรมแต่ว่าในที่นี้พระเจ้าไปส่งแสดงที่ความสมบูรณ์พร้อมของศีลสมาธิปัญญาไปแล้วแต่ว่าการที่จิตตั้งมัน่น ตั้งมั่นอยู่ในความดีอะเอาไปตรงนี้ให้ได้ก่อนกำกับที่ตัวความคิดคือคิดให้ดีแล้วพูดได้ดีแล้วก็ทาให้ดีเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดใครจะรู้จะเห็นหรือไม่ก็ตามเรารับผิดชอบแล้วทั้งบวกทั้งลบด้วยนะ หลักการตัวนี้จึงเป็นหลักการสําคัญว่าจิตใจทํำยังไงจะหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกุศลธรรม ท, ำทำั้งหลายอย่างสังคมเรามันที่จริงก็คือโลกนะมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่จะว่าอย่างไงเราจะถือว่าอะไระเราก็เรียกกันระบบนั้นระบบนี้อะไรจะเรียกกันเนี่ยนะ ก็เป็นการเพ่งโทษกันมันไม่มีระบบใครละมันเป็นวิธีการเป็นวิธีการเป็นคือการทํางานเนี่ยมันมีอุดมการ์มีหลักการมีวิธีการและตัววิธีการมันก็มีเทคนิคเข้ามางานอย่างหนึ่งเนี่ยโดยทฤษฎีและคนรู้เหมือนกันแต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยมันจะต่างกัน พการบริหารจัด ก, การทุกระดับเออจริงๆมันมั น, ม, นมันไม่ได้มีว่าไอ้ระบบหรือระบอบหรืออะไรลัทธิอะไรหรอกมันมีกรอบของมันะม น, นะคือถ้าเป็นไปตามรัฐมนูลเมื่อคือระบบระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบของไคร ย่งแต่ว่าวิธีการจัดการกับคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันเราทําน้ำพริกเนี่ยมันก็สูตรเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคนหนึ่งเขามีความชานิชํานานญก็ทําอะไรได้เร็วทุกอย่างก็เร็วหมดมันก็ทําได้เร็วก็เรียกว่าเรารู้รวดเร็วเรียบร้อยแต่ทีนี้พอเราเห็นว่าเขาไม่ทําเหมือนที่เราทําเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็น เราก็ไปกล่าวหาเขาทัา้งทั้งที่ในแง่ความจริงเนี่ยคือการทํางานทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าประสงค์ของการบริหารประเทศไม่รู้วิธีที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยวิธีไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าเราไปสร้างเงื่อนไขจนจนเป็นเป็นแบบตันหาอุปาทานพบชาตินะฮะไปยึดขึ้นมา คือเราก็หาคำตอบอะไรไม่ได้สักอย่างอย่างนั้นดีอา้าวแล้วที่นั่นล่ะ อ, อย่างนั้นไม่ดีอา้าวแล้วที่นั่นล่ะมันไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่ตัวตรงนั้นแต่วิธีมันก็ต่างกันก็แล้วแต่คล้ากับวิธีวิ่งแข่งหรืออะไรต่างๆสมมติว่าเราต้องการจะเดินนัดเดินันจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่ง แต่นันไปพบกันที่นั่นโดยแข่งกันกันที่ตัวเวลาคนหนึ่งก็ํำนาในการเดินป่าเขามีทางลัดเนี่ยเขาก็ไปได้แต่เนื้อหาสำคัญเขาไปถึงก็แล้วกันนะก็ไปถึงก็คือถูกต้องอะทำไมจะต้องไปพูดจากันในลักษณะนั้นก็ไม่เข้าใจอ่ะนะเราเราดูแล้วก็ก็ไอ้อคนบ้านเรานี่เป็นยังไง ดูแลมันน่านับถือนะฮะพูดไปพวกนายไม่น่านับถือคือตัวคุณธ ร, รเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่คุณเป็นอะไรนะคุณมีอะไรเราจะเห็นว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านมีพระสัพพัญญุตญาณไอ้ตัวสัพพัญญุตญาณเนี่ยทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้า แต่ว่าเขเพิ่งเป็นในตอนจะรู้คือตอนเกิดสรรพยุติยานขึ้นก่อนเพราะอย่าไปคิดว่าถ้าเป็นแล้วคือคนที่เคยเป็นอะไรแล้วก็คือถูกต้องมันไม่ใช่หรอกเพราะงั้นในโลกนี้จะไม่มีคํว่าธทรราชก็แสดงว่าเป็นขนาดนั้นยังไม่ถูกต้องจะเอาอะไรดังนั้นถ้าจิตใจเราตั้งมั่นมีจิตดีสุขภาพจิตดี คิดได้ดีทำได้ดีพูดได้ดีรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสมีวิจารณญาณในการรับแล้วก็เลือกจำในเรื่องที่ควรจำคิดเป็นระบบมีวิธีการคิดเป็นระบบแล้วก็เกิดความรู้ที่มีความแหลมคมลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ไม่ถึงการหลุดพ้นจากกิเลสหรอกแต่ว่ามันเป็นระดับศีลธรรมจั ญ, ญาเราตามรอยพระอรหันต์ไปได้ พ้นในธรรมทั้งปวงแล้วเป็นผูด้เดียวคำว่าพ้นในธรรมทั้งปวงเนี่ยหมายความว่าในที่นี้มันเริ่มมาจากม า, น, านะหมายความว่าพ้นจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายเราก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทายังไงสามารถสงบหรือสยบอำนาจของกิเลสต่างๆลงไปได้ มันก็อาจจะมีความรู้สึกในทางลบแต่ข่มใจห้ามใจบันเทากระแสของอารมณ์แบบนั้นเอาไว้แล้วก็รับสั่งว่าอยู่เมื่ออยู่ในป่าเพราะว่าเทวดาพูดถึงอยู่ในป่ามีข้อแม้ว่าถ้าอยู่ในป่าก็ต้องไม่ประมาทพรอคําว่าไม่ประมาทเนี่ยปรากฏว่าป่ามันเป็นปัจจัยเสริม ตัวความไม่ประมาทเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเพราะป่าเนี่ยมันก็เป็นกลางกลางฮะมันอาจจะเป็นซ่องโจรก็ได้หระมันอาจจะไม่สงบก็ได้ถ้าคนไปตั้งแคมป์กันอยู่ในป่าเนี่ยเปิดมันไม่ใช่ข้อยุติแต่เข้อยุติเนี่ยคือคือไม่ประมาทไม่ประมาทจนถึงจุดหนึ่งอารมณ์มันมากระทบ สามัญชนมันจะเกิดราคะจะเกิดโลภะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดประมาทแต่ว่าจิตใจของท่านที่มีสติตั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทไอตัวกระตุ้นเหล่านั้นมันมีหรอกเราห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่เราไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์จิมากระตุน้นอันนี้ก็หลุดพ้นจาก ภูมิสามหมายความว่าจะไม่บังเกิดในโลกใดโลกหนึ่งคือเชื่ออะไรก็กกตามนะมันไม่มีหรอกเพราะว่าภพมันมีแค่สามท่านนั้นเองแต่ว่าท่านภูมิจิตท่านอยู่ในโล ก, กุตราระคืออยู่เหนือภพทั้งหลายเพราะอะไรเพราะกิเลสเป็นเหตุบังเกิดในภพมันไม่มีคืออย่าลืมปำมนาอุทจจะและว้วก็วิชาก็จบ คือคนคนประเภทนี้มีพวกเดียวคือพระอรหันต์แต่เราก็พูดในระดับที่เรียกว่าตามรอยพระอรหันต์ก็เดียนตามรอยพระอรหันต์กันไปก็ธรรมะแต่ละข้อเนี่ยซึ่งในที่นี้ที่จริงท่านยกตัวเดียวะยกตัวเดียวขึ้นมาก็คือธรรมะ แต่อย่าลืมว่าในในขณะที่เราฝึกปือตัวเองหรือคมใจตัวเองเราต้องมีสัจจะเราต้องมีขันติแล้วเราก็ต้องมีความเสียสละรูโสุขส่วนตัวเองเสียสละความกระด้างอะไรต่ออะไรต่างๆคเคยลองสังเกตว่าเช่นเช่นเราปรอกฟังเทสครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ฟังเฉพาะเทสแต่เราจะต้องมีศรัทธา เราจะต้องมีสติเราจะต้องมีความพยายามเราจะต้องมีใจมีความตั้งใจแต่เรียกว่าทิฐฐานเนี่ยมีความตั้งใจก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็มีสัจจะมีอะไรอีกเยอะลองลองนับตูก็ได้นะลองนับตูก็ได้ว่าจริงๆธรรมะมันมีอยู่เยอะแต่ว่าอาการที่เด็ดเนี่ยมันคืออะไรในที่นี้ที่ถือว่า เด่นที่เป็นอุปสรรคก็คือมานะ เ, เด่นที่เป็นตัวทำลายล้างก็คือการไม่มีมานะแต่ว่าการที่จะทำลายจนไม่มีมานะได้เนี่ยก็ต้องอาศัยปฏิบัติตนไปตามหลักของอริมกักเปโองแปะประกาศคือจนจิตใจมีความหนักแน่นมั่นคง เพิ่มพูขึ้นไปโดยลำดับลาดับเป็นเป็นธรรมเทศนาแนวเดียวกับกับพระสูตรก่อนคือหมายความว่าเปโวดาพูดระดับโลกีธรรมระดับสังสารวัตรแต่ว่าต้องการให้ภบชาติประนีตขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงระดับที่เรียกว่าวิวัตร คือพ้นจากจากวตฏฏะหมายความวาพูดนคนละคนละกลุ่มธรรมะเทวดาพูดในแง่ของอกุศลที่ต้องละพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกุศลที่เจริญมาแล้วจเจริญแล้วนะฮะไม่ใช่ต้องจเจริญคือจเจริญแล้วเพราะว่าไปดับมานะใช่แล้วทตนี่การที่ดับมานะได้เนี่ย สิ่งยูบเบื้องหลังก็คืออริมกักเมอแปดประการที่มีความสมบูรณ์ ม, มาณนะมันต้องดับด้วยญาณหรือปัญญาหรือวิชาที่สมบูรณ์นะแต่พวกนี้ไม่สมบูรณ์ดับเขาไม่ได้หรอกเป็นกิเลสที่ละเอียดแล้วก็อยู่ลึกก็ยากที่จะรู้จักเขาเหมือนกันบางครั้งบางคราวเราอาจจะไม่รู้ว่าที่จริงเขาคือกิลเลสไม่ใช่คุณธรรมอะไร นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งทั้งฟังทังหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศ ร, รีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึงท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี